ได้รับนิมนต์ให้ไปพูดที่หมหาวทิทยาลัยขอนแก่นเพราะมีการเปิดนิทรรศการร้อยรูปร้อยกวีร้อยปีพุทธทาสพิคุกก็มีการนำเอาภาพวาดของศิล ป, ปินกว่าร้อยคนแล้วก็บทกวนะีหลายสิบชิ้นก็นจริงเป็นร้อยมาเปิดแสดง ในโอกาสที่ครบหนึ่งศตวรรษแห่งชาตการของทาาจารย์พุทธทาภิกขุดิศันสการ์นี้ก็เคยแสดงที่สวนโมกเมือ่อ27พฤษภาคมแล้วก็ไปเปิดนะแสดงในหลายที่ทั่วประเทศที่ขอนแก่นนี่ก็เป็นที่ที่หกก็มีภาพวาดแล้วก็ภาพจิตกรรม หรือภาพปั้นของศิลปินดังๆอยู่มากมายที่น่าสนใจอันหนึ่งไม่ใช่เป็นภาพวาดแต่ว่าเป็นภาพเสียนพระพุทธรูปนะที่เขาปั้นโดยศิลปินชื่อดังนะเฉลิมชัยโคสิทิ พ, พัฒนะ์คนนี้ปกติเขาจะวาดภาพพุทธสินแต่ว่าในิทศกาลนี้ก็ นำเอาเสียงพระมาตั้งแสดงแต่ว่าไม่ใช่เสียนพระธรรมดาเพราะว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมโปรงๆอยู่ล้อมรอบเสียนพระ3ด้านคือด้านข้าง2ด้านแล้วก็ด้านหลังอีกด้านหนึ่งเปิดโล่งเอาไว้ด้านหน้าแล้วก็เขียนคำบรรยายว่าวัตถุกับจิต เป็นธรรมนองปิตณนาธรรมอันนี้ดูแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจแล้วก็พอจะตีความได้ว่าคือมันมีการถกเถียงกันว่าวัตถุ ก, กับจิตนี่อันไหนสำคัญกว่ากันวัตถุเป็นตัวกำหนดจิตหรือว่าจิตนั้นมันไปกำหนดวัตถุอันนี้ก็ที่จริงก็ถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วในพระไตรปิฎกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในบรรดานักปรัชญาแล้วก็นักวิทยาศาสตร์แต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาลงรายละเอียดอย่างนั้นแต่จะมาพูดในแง่ของพุทธศาสนาที่น่าสนใจคือว่ากรอบสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบอยู่เสียนพระเนี่ยกรอบนี้จะจะครอบหรือว่าจะล้อมรอบเฉพาะบริเวณที่เป็นเสียนพระส่วนที่เป็น เหมือนกับหัวมนุษย์หรือหัวคนธรรมดาหมายความว่าส่วนที่เป็นพโมรีแล้วก็ส่วนที่เป็นฉับพลังสีนี่ก็จะโผล่พ้นพ้นกรอบนั่นออกมาส่วนที่อยู่ในกรอบนั่นก็เป็นเฉพาะส่วนที่เป็นเหมือนกับสีสามคนธรรมดาอันนี้ก็ตีความได้ว่าคือความรู้สึกนึกคิดของคนธรรมดาเนี่ยมันก็ อยู่ภายใต้กรอบกรอบของวัตถุเช่นถ้าไม่มีกินหิวโหวยก็ทุกแดดร้อนก็ทุกอากาศหนาวก็ทุกหรือว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรมาทิ่มมาแทงร่างกายก็ทุกไปด้วยรวมทั้งการที่คนเราจะคิดอะไรมันก็คิดไปไม่เกินจากสิ่งที่ลายเห็นรอบตัวคือหนีไม่พ้นสิ่งวัดล้อม ที่เขาเรียกวัตถุอันนี้คือความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนแต่ว่าพระพุทธองค์นี่มีจิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วก็เป็นจิตที่เรียกว่าได้จำแจ้งสัจธรรมก็ทำให้จิตนั้นเป็นอิสระส่วนที่แสดงความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือส่วนที่เป็นพระโมลีแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลวเพลิงที่เรียกว่าฉับพลังสีอย่างที่เราเห็นตามพระพุทธรูปทั่วไป ส่วนนั่นนะคือส่วนที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระมนุษย์ปุตุชนนั้นไม่มีส่วนนี้และพระพุทธองค์เนี่ย<ม>เนื่องจากได้บำเพ็ญรรมาจนกระทั่งจำแจ้งในสัจธรรมเข้าถึงความเป็นผู้ตัดสุชอบได้โดยพระองค์เองก็ทำให้จิตของพระองค์นั้นเป็นอิสระเป็นอิสระก็คือว่าอยู่เหนือกรอบหลุดออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยม นะที่ล้อมรอบนั้นซะก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกก็จริงแต่ว่าจิตของพระองค์นั้นอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกแต่ว่าจิตนี้อยู่ยเหนือโลกก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวดอกบัวซึ่งเกิดมาจากโคลนตมแต่ว่าสามารถเทียบโปรพ้นน้ำออกมาและเหมือนกับใบบัวนะซึ่งก็ เกิดมาจากน้ําแต่ว่าน้ํานี่ก็ไม่สามารถจะฉาบติดย้อมถาได้ก็เหมือนคนเราคนเรานี่ก็เกิดมาโดยอาศัยวตัตถุนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเช่นอาศัยธาตุอาศัยอาหารต่างๆอาศัยอากาศเรามีร่างกายซึ่งประกอบไปได้วยวัตถุร่างกายของเราก็ไม่ได้ต่างจากวัตถุที่อยู่รอบตัวและใจของเรามันก็อยู่ในกรอบของวตัตถุนะแต่ถ้าว่าเราฝึกฝนไว้ดีแล้ว เราก็สามารถที่จะยกใจให้เหนือจากการกำหนดของวัตถุได้อันนี้เป็นเพราะว่าจิตได้รับการฝึกฝนมาคือว่าแม้กายจะป่วยแม้กายจะเจ็บเนแต่ใจนี่ไม่ทุกนี่ก็ทำได้หรือว่าแม้จะประสบกับความพลัดพรากสูญเสียความผันป่วนปลนแป ร, ป ร, ปรซึ่งธรรมดาก็ทำให้คนเราทุกที่เราสวทุกเช้าเนี่ย ความโศกความลำลายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจประสบสิ่งไม่เป็นที่พอใจก็ทุกข์พัดพาจากสิ่งพอใจก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็ทุกข์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราคนเราทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ความเสื่อมของโลกธรรมเสื่อมยศเสื่อมลาภหรือว่าได้รับคำคำตาหนิมันก็ทําให้คนเราทุกข์แต่เมื่อจิตของเราได้ปรารถนา จนกระทั่งเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงแจ่มแจ้งในสัจธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่อาจจะยึดถือได้ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่น่า ย, ยึดถือด้วยเพราะถ้ายึดถือแล้วก็จะเป็นภุกเพราะต้องหนีไม่พ้นความพลัดพากสูญเสียเพราะคนลานั้นได้กับเสียเป็นของคู่กันพบกับพรากนี่ของคู่กันพบแล้วก็ต้องพรากมีได้ก็ต้องมีเสีย มันก็ที่ได้พูดมาเชาว่ามันก็เหมือนกับหน้ามือกับหลังมือมันของคู่กันเมื่อเราไปยึดสิ่งใดก็ตา ม, มก็ต้องประสบกับความพลัดพรากในที่สุดไม่เราพรากจากมันมันก็พรากไปจากเราอันนี้ไม่ใช่กับสิ่งของเท่านั้นแม้กระทั่งกับคนที่เรารักอํารมย์เราก็ตกอยู่ภายใต้สุขทุกข์ของคนเราก็ตกอยู่ภายใต้วัตตะอันนี้แหละคือได้ก็ดีใจเสียก็เศร้าใจ แต่มนุษย์เราสามารถที่จะเป็นอิสระนะอยู่เหนือจากความพันผ ว, วนปล่นแปอย่างนั้นได้เราสามารถที่จะเป็นอินสระเหนือวัตถุได้วัตถุที่เราครอบครองบางทีเราไปคิดว่ามันเป็นของเรานะบ้านของเรารถของเรานะนาฬิกาของเราเงินของเราทองของเราแต่ที่จริงเราไม่รู้หรอกว่าเราตังหาที่เป็นของมันคนเรายอมเหนือ่อยยอมยากยอมทะเลาะ ก, กัน ทำล้ายกันก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละบางทีแม่ก็ตีลูกเพราะว่าลูกนี้ทำจานแตกหรือว่าทำรถขีดข่วนเป็นรอยแม่ตีลูกพ่อตีลูกก็เพราะรถหรือว่าทำกระจกบ้านแตกก็ตีคล้ายๆกับว่าลูกนี้อาจจะสำคัญไม่เท่ากับบ้านหรือรถมันเป็นของเราแต่สุดท้ายเราเป็นของมันตังหากคือเราต้องยอมเสียสละยอมทะเลาะกันก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อมันบางทีก็ยอมตายก็เพื่อมัน แล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงเราต้องหาที่เป็นของมันอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นท่ายของวัตถุเราไม่ได้เป็นอิสระจากวัตถุเราไม่ได้เป็นนายมันด้วยซ้ำเราเป็นทานขยของมันเราเป็นค่ารับใช้ของมันเพราะว่าเราไปเผลอยึดว่ามันเป็นของเราไอ้ตรงนี้เนี่ยที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่กับสิ่งของอย่างเดียวกับผู้คนก็เหมือนกันคนรักของเราลูกของเรา แต่ไปไ ป, ไป ม, ามาเราเป็นของเขาเราเป็นบ้าเป็นหลังวิกฤติเละก็เพราะเขาเราตายยอมตายก็เพราะเขาใครเป็นของใครกันแน่อันนี้คือสภาพของคนที่ยังตกอยู่ภายใต้ของวัตฏะสงสารที่ต้องตกอยู่เป็นธาตเป็นธาตของวัตถุเป็นธาตของสิ่งต่างๆแต่เมื่อได้พัฒนาจิตจนกระทั่งรู้แจ้งในสัจธรรมนั่นถึงีะเป็นอิสระอย่างแท้จริงช น, นิดที่เรียกว่า แม้ความทุกข์ทางกายจะคุกคามอย่างไรก็ไม่ทำให้จิตใจนั้นเป็นทุกข์ได้แม้ว่าจะแก่แม้ว่าจะเจ็บหรือแม้ว่าจะต้องตายอันนั้นก็เป็นส่วนกายแต่ว่าใจนั้ น, น, นผ่องแผ้วโนะปร่งโล่งเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือว่าพระสาวกจานวนมากก็ได้แสดงให้เป็นแบบอย่างอย่างมี ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีนี้เป็นพระเมษีของพระเจ้าอุทเทนก็เป็นที่อิจฉาของมเหสีคนหนึ่งคือมาคันธิยามาคันธิญานี่เป็นคนที่อิจฉาแล้วก็พยายามที่จะทําลายพระนางสามาวดีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนหาทางกลั่นแกล้งคล้ายๆกับตัวอิจฉาในหนังไทยหรือในละครทั่วๆไป แกงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลในสุดก็ได้วิธีว่ารอบวางเพลิงให้พระนาสาโมดีถูกหล่อเข้าไปในในเรือนที่เก็บผ้านในประสาทแล้วก็พระนาสาโมดีก็เข้าไปกับสนมบริวารห้าร้อยคนแล้วก็อ้าร้อนเนี่ยคงจะเป็นจํานวนที่เขียนไปอย่างนงั้นคงยิงยิงคงไม่ถึงแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็ปิดประตูไม่ให้ออกมาได้แล้วก็นามาคันติยาก็เผาทั้งประสาท พระสมมาวนี่เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพืทเจ้ามากเคยถวายจีวรห้ารอยปืนให้แก่พระองค์ซึ่งเป็นที่มาของคำสนทนากันระหว่างพระอนนุนกับพระเจ้าอุเทนว่านี่จีวรห้าร้อยปืนนี่จะไปทำอะไรพระอนนุนก็บอกว่าห้าร้อยปืนนี่ก็ไปถวายกับพระที่มีจีวรเก่าพระเจ้าอุเทนก็ถามตอบไปว่าแล้วจีวรเก่านี่จะเอาไปทาอะไร พระอนนท์ก็บอกก็เอาไปทําเป็นผ้าปูเตียงผ้าปูที่นอนและผ้าปูที่นอนอันเดิมนี่จะเอาไปไว้ไหนก็ทําเป็นผ้ารองผ้าผ้าปูพื้นผ้าอนนท์ตอบและผ้าปูพื้นอันเก่าจะไปไหนก็เอามาทําเป็นผ้ารองผ้าเช็ดเท้าและผ้าเช็ดเท้าอันเดิมจะไปไว้ไหนพระอนนท์ก็ตอบว่าก็มาฉีกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วผสมกับดินมาฉาบเป็นผนังได้ อันนี้ตามแบบธรรมเนียมโบราณพระเจ้าอุเทนได้ฟังก็ศรัทธาว่าของที่ถวายแก่พระพิสุสง์ในพุทธศาสนานี้ก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆรพระนางสมบ ด, ดีนี่ก็เมื่อถูกถูกกักขังในปราสาทนางมาคันทิยาก็เผาเผานี่ก็ไฟลุกท่วมคลังผ้าแล้วก็ไม่มีทางหนีได้ก็แต่ว่าพระนางมาคัยานี้เนื่องจากได้เคยปฏิบัติธรรมมาก็ได้แนะ ให้บริวารนี้ได้ได้เอาเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนาคือทุกขเวทนาที่เกิดจากไฟไหม้เนี่ยเป็นอารมณ์จีก็ตั้งสติอยู่ที่เวทนานั้นเป็นสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดก็บรรลุธรรมขั้นสูงบริวารห้า้อยนั้นก็เป็นโสดาบันบ้างก็มีสกิทาก็มีอนาคามีก็มีอันนี้เพื่อจะได้พยากรณ์หรือว่าได้ตอบหลังจากที่ได้รู้ข่าวว่า ทั้งห้าร้น่ตายหมดอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ยกจิตเหนือเหนือทุกขเวทนาทางกายอันนี้ก็เรียกเป็นจิตที่อิสระจากวัตถุหรือว่าจากสิ่งรอบตัวแม้รอบตัวจะร้อนเผาวนะแต่ว่าใจนี้สงบเย็นแม้ว่ารอบตัวนั้นจะคุกคามชีวิตแต่ว่าจิตใจนั้นก็พองผ้าเป็นอิสระอันนี้ก็คือตัวอย่างของผู้ที่สามารถที่จะ ยกจิตนี้ให้เป็นอิสระจากทุกขเวทนาได้ในสมัยของเราก็คงไม่เคยขาได้ยินพระเวียดนามนั่งสมาธิแล้วกใ็ให้คนจุดไฟเผาในช่วงที่ประทวงเรียกร้องสันติภาพในเวียดนามเมื่อ40ปีก่อนฝรั่งที่เขาถ่ายรูปไว้ก็แปลกใจมากว่าพระที่โดนที่เผาไฟนี้สงบนิ่งมากปกติคนที่โดนไฟเผานี่ก็ต้องวิ่งหนีวิ่งไปหาไฟหาอะไรมาดับ ฮานุมานเนี่ยโดนไฟไหม้ที่หานี่ก็วิ่งพล่านทั่วกรุงลงกาเลยแต่เพราะเวียดนามท่านนี้สงบนิ่งมากจนกระทั่งหมดลมไปไม่ได้เคลื่อนขยับเลยอันนี้ก็เป็นผลของการได้ฝึกฝึกจิตเอาไว้แล้วก็สามารถจะทำให้จิตรวมสงบลงอย่างรวดเร็วแต่ที่จริงเราก็ไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะว่าในชีวิตในชีวิตของเราเราก็สามารถจ ะ, จะฝึกได้การที่เรามีสติ เราฝึกจิตให้มีอินทรีย์ให้มีอินทรีย์สังวรคือการสำรวมอินทรีย์หมายความว่าการที่เราไม่มีรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ยินดียินไลในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้รับหรือว่าในสัมผัสทางกายเราก็สามารถจะฝึกได้อากาศร้อนนะแต่ว่ามันร้อนที่กายอย่างเดียวแต่ใจไม่ร้อนก็ได้นะเพราะว่าแม่ไปยึดเอา ความร้อนนั้นมาเป็นของเราหรือว่าแม้จะเจ็บจะป่วยนะแต่ว่าป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยก็ได้หรือพิการก็พิการแต่กายแต่ใจไม่พิการก็ยังสุขจิตใจก็ยังเป็นอิสระของแผ่วก็ได้นะอย่า ง, อ า, งอาจารย์กำพลนเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าอันนี้เรียกว่าจิตนี้ไม่สามารถจะถูกคุกคามได้ด้วยความทุกทางกายแต่เป็นเพราะจิตคนเรานี่เราไม่ได้ฝึกกันนะเมื่อเราไม่ได้ฝึกฝนทางใจเนี่ย เราก็เลยกลายเป็นธาตของวัตถุเสียงดังก็ทุกเสียงดังก็ทุกอากาศร้อนก็ทุกนะนันที่พราะเราไม่รู้จักใช้ใช้ใจให้เป็นประโยชน์เราก็เลยกลายเป็นธาตของสิ่งรอบตัวกลายเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นธาตของวัตถุหรือวัตถุที่ปรากฏแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเราได้น้อยลงเพราะเรารู้ว่าเป็นปัจจัยของเราตัางหากที่ไปยึดเอาไว้เสียงมันดังแต่ใจเราไม่ไปจดจอ่อ มันก็ทำในเราไม่ได้มันก็เป็นศัพท์แต่ว่าเสียงศัพท์แต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองเราไม่ได้มองว่าใจของเราต่างหากที่ไปหยิบไปคว้าเอาสิ่งเหล่านี้นะเข้ามาเล่นงานใจของเราฉนั้นคนเ่านี้เป็นธาตุวัตถุ ก, ก็เพราะเหตุนี้ก็คือใจไม่ได้ฝึกอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอินทสียสังวรนะก็คือว่าไม่มีการสรํารสมอินเสีย์อินเสียสังวรหรือการสรมอินทสีย์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าตา ไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าปิดหูไม่ให้ได้ยินคำพูดที่ระคายเคืองหรือว่าปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นที่ไม่หอมนะอันนั้นเป็นความเข้าใจคนทั่วไปนะแต่ที่จริงแล้วอินเซียสังวรในความหมายที่พระเจ้าได้สอนเนี่ยคือว่าการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดีหิตร้ายในในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ได้รับรู้มา ในสายพุทการก็มีนะวิธีที่จะทําให้ใจไม่เป็นทุกขคือว่าไม่ไปรับรู้อะไรตาก็หูก็อย่าไปได้ยินจมูกก็อย่าไปได้กลิ่นทนํานองให้คล้ายกับปิดหูปิดตาไว้อย่างที่เราเห็นหลิงสามตัวที่เขาเอามา ท, ทําเป็นตุกตาซึ่งมาจากของโบราณผู้เจ้าก็บอกว่าตําหนิว่าการทําเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากคนตาบอดถ้าการปิดตานี่ทําให้คนเราไม่ทุกขนี่คนตาบอดก็ต้อง ไม่ทุกไปนานแล้วคนหูหนวกก็ไม่ทุกแต่ก็ยังทุกอยู่นี่เพราะอะไรเพราะใจใจของเราเนี่ไปเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือว่าสิ่งที่ได้รับรับรู้มานี่มาก่อความลาคาญหรือว่าก่อความเพื่อให้แก่จิตใจบางทีไม่ต้องได้เห็นได้กลิน่นได้ยินหรอกมันก็สร้างเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาได้มากมายเดินจงกรมบางทีก็อยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ในป่าที่สงบไม่มีสิ่งที่มารบกวนใจ ไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้ระคายระคายหูนะอากาศก็เย็ยนสบายแต่คนก็ยังทุกได้เพราะ อ, อะไรเพราะใจใจมันก็ไปปรุงแต่งหาเรื่องต่างๆเข้ามาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปอดีตก็ไปเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาย้ำคิดย้ำคุ่นแล้วก็ทิมแทงตัวเองหรือว่าไปเรื่องอนาคตก็ไปกังวลหรือไปปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาว่า ถ้าก็เป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรถ้าก็เป็นอย่างนี้จะทาอย่างไรเรื่องไม่ทันเกิดแต่ว่าก็ติดตนไปก่อนใข้เพราะความคิดของเราอันนี้แหละก็ทำให้คนเราทุกได้ทั้งนั่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายนะทีะ่ที่ไม่มีอะไรที่จะมารบกวนตาหูจมูกลิ้นกายเลยแต่ใจที่ไม่ได้ฝึกก็ทำให้เราเป็นปัญหาได้เพราะนั้นในการฝึกฝนจิตใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ เราไม่ได้ฝึกฝนใจเพื่อให้มีจิตที่สงบเท่านั้นแต่ให้มีจิตมีให้จิงเรามีสติที่ไวเพื่อที่จะรู้เท่าทันไม่ว่ารูปลู ร, ปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบแม้ว่าจะไม่พอใจไม่นา่าพอใจเป็นไรถ้าใจของเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ทะลุมาถึงใจนะมันก็แค่กระทบกายนะความทุกข์มันก็ติดอยู่ที่กายความทุกข์มันไม่สามารถที่จะทะลุมาถึงใจได้ เดีนี้เราปล่อยให้ความทุกข์ที่มันทะลุจากกายมาถึงใจได้ง่ายเหลือเกินนะแล้วที่มันแยกนะก็คือว่าแม้จะไม่มีอะไรที่จะมากระทบกายให้ทุกข์แต่ใจมันก็ปรุงแต่งนะไปสารพัดอยู่ในภาษาราชวังที่สบายที่สุดนะก็ยังเครียดก็ยังเป็นโรคประสาทหรือว่าก็ยังฆ่าตัวตายได้อันนี้เพราะอะไรเพราะใจนะใจที่มันหาเรื่องอันนี้แหละก็ถึงสุดท้ายนี่เราก็ กลายเป็นท่าของความรู้สึกนึกคิดเป็นท่าของอารมณ์เป็นท่าของวัตถุแม้ว่าเราจะคิดได้เก่งแต่การคิดเก่งนั่นก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นยิ่งคิดเก่งเราก็ยิ่งเป็นท่าของความคิดยิ่งคิดได้ซับซ้อนมาเท่าไหร่เราก็หลงวนจมอยู่ในในเขาวงกฏของความคิดหลุดออกมาจากความคิดไม่ได้เพราะความคิดมันซับซ้อนเกินไป คนสมัยนยี้คิดซับคิดซ้อนคิดได้หลายชั้นเสร็จแล้วก็ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละมันหลุดออกมาไม่ได้หลุดขึ้นมาไม่ได้นะเพราะความคิดหลายซับหลายซ้อนมันก็ทําให้จิตนี้กลายเป็นท่าของความคิดได้ imiz, เราต้องถึงเวลาที่ต้องเป็นนายความคิดนะฝึกจิตให้เป็นนายของความคิดฝึกฝึกจิตให้เป็นอิสระจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมั น, เ ก, นมกเกิดขึ้นได้ความกลัวเกิดขึ้นได้ความเศร้าเกิดขึ้นได้ความเหงาเกิดขึ้นได้ มันจะไปห้ามมันไม่ให้เกิดมันทำไม่ได้เพราะว่าใจมันเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแต่เราสามารถที่จะเป็นอิสระเหนือมันได้คือเห็นมันเฉยๆเหมือนกับที่ได้พูดเมื่อชานี้ก็เหมือนกับว่าเราอยู่บนฝั่งอยู่บรนชายหาดเราก็เห็นคลื่นซัดเข้ามามันจะกี่ลูกกี่ลูกก็ตามเราก็ไม่สะเทือนไม่สะทานเพราะว่ามันก็พอมาถึงฝั่งก็หายไปมันไม่สามารถทำให้เราเปียกได้เพราะเราไม่คิดจะเข้าไป โต้คลื่นไปลงน้ําอยู่แล้วอันเนี้ยก็เมื่อเรามีสตินะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นมันก็ทำแล้วเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มันเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเกิดโกรธได้นะแต่รู้ทันโกรธได้นะันแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นะการฝึกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้จิตของเราเป็นอิสระเป็นอิสระอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามันเป็น ทางไปสู่โล ก, กุตรธรรมโล ก, กุตระก็คือการการเป็นอิสระอิสระหรือการอยู่เหนือโลกุตระอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกก็คืออยู่อยู่เหนือโลกธรรมอยู่เหนือปัจจัไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกโลกและคนเราก็ทําได้นะในชีวิตประจําวันเราก็ทําได้ไม่ใช่ว่าจะต้องหลบลี้เข้ามาอยู่ในป่า อยู่ในเมืองเราก็สามารถที่จะยกจิตของเราให้เป็นอิสระอยู่เหนือโลกได้โลกธรรมทํำแล้วเราไม่ได้ไม่ว่าจะได้ลดได้ยศได้ลาบได้รับคำเสรรเสริญก็ไม่ทําให้ใจเราฟูเมื่อถึงตอนนั้นแม้มันจะเสริมลาบเสริยนยศหรือว่าได้รับคํานินถาก็ทําอะไรก็ทําให้ใจเราแฟบไม่ได้นะอันนี้แหละที่มันเป็นความสามารถของทุกคนนะเป็นสมบัติประจําตัวของทุกคนอย่างที่ พระอาจได้ตัดว่าโล ก, กุตตรธรรมเป็นเป็นสมบัติของทุกคนโล ก, กุตตรธรรมคือความสามารถหรือศักยภาพในการที่จะเป็นอิสระอยู่เหนือโลกซึ่งอันนี้อาจารย์พะพุทธทานก็เน้นมากนะเรื่องเอาเรื่องโล ก, กุตตรธรรมมาพูดเอาเรื่องจิตว่างเอาเรื่องนิพพานมาพูดนะคนก็บอกว่ามาพูดกับค า, ารวะได้อย่างไรนะค า, ารวะไม่ต้องทําต้องมีกิเลส ต, ต้องมีตัณหานะโล ก, กุตตรธรรมนี่ต้องไปพูดกับพระแต่อาจารพระพุทธทาบอกว่านั่นแหละ คาราวานนี่แหละยิ่งต้องเรียนรู้เรื่องกลุกกุตตรธรรมเพราะว่ามันเจอความบีบขั้นเจอความพันผวนปลี่ยนแปลในชีวิตมากเปรียบไปเหมือนคนที่อยู่กลางแดดคนอยู่กลางแดดมันต้องมีร่มต้องมีล่มถ้าไม่มีล่มนี่ร้อนฝนตกมาก็เปียกแต่พระนี่เหมือนกับอยู่ในป่าเย็นสบายอยู่แล้วฝนตกมาก็ยังพอหาลมม้ฉายคาหลบได้แต่คาราวานนี่เหมือนกับอยู่กลางแจ้งยิ่งต้องมีล่มยิ่งต้องใช้ล่ม โร ก, กุตรธรรมนี้ก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ช่วยรักษาใจให้เป็นปกติให้ใจเป็นเป็นอิสระได้นั้นอกจากอุทาก็พยายามมาพูดเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้พามาพูดกับคารวะเอาเรื่องโล ก, กุตระธรรมปรมามัตธรรมนี่มาพูดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักพราะเรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้